ทางสายเอกนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่เป็นอาเอกายนามัคทางเส้นเดียวไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดจากทุกเป็นไปเพื่อความคลายความเดือดร้อน <c oughs> เป็นไปเพื่อความสิ้นสุดความเวีนว่ายตายเกิด ท่านต้นเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ที่ละเอียดเราก็ดูทุกข์ห ย, ยาบๆไปกันอย่างที่บรรยายมาให้ฟัง <c oughs> เห็นความตายบางเห็นความแก่บางเห็นคนอื่นแก่ไม่สู้ตัวเองแก่นะถ้ารู้สึกว่าเราแก่แล้วเนี่ยไม่อะไรอะไรก็มันมันไม่อยากได้เหมือนก่อนแล้วมั้ง เฉะนั้นบุคคลฉลาดเนี่ยก็ต้องเวลาเห็นทุกข์เห็นโทษอะไรต้องน้อมเข้ามาสู่ตนให้มาก <c oughs> น้อมเข้ามาสู่ตนว่าเออบุคคลที่มาเ ป, เป็นทุกข์มาให้เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกข์แต่เขาหนาเราก็ถึงว่าข่าวก็จะเป็นทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันความแก่และโรคภัยสารพัดอย่างเนี่ยเราก็รับ สมบัติเขาไว้เหมือนกันตอนผมเด็กๆเนี่ยเวลาดูโทรทัศน์ได้ได้เห็นเขาโฆษณาโฆษณาขายยาลดกดในกระเพาะเนี่ยผมก็ยังนึกขำอยู่ตอนเป็นเด็กๆไอ้ยาลดกดในกระพเพาะนี่เขาทำมาขายไข่ะใครจะรไปกินยาลดกดในกระเพาะ ใครมันจะขายใครได้ใครจะไปกินตอนเด็กๆคิดอย่างนั้นนะปากฏว่าพอเราอายุายได้ยี่สิบกว่าๆนี่เป็นโรคกระเพาะปากฏว่ามันนั่งกินยาลดกดอยู่ตั้งหลายปีออเขาทำมาขายเรานี่เองผู้ใหญ่รุ่นก่อนเขาเป็นโรคกระเพาะเนี่ย เขาผ่านการเวลาไปเขาก็ไม่ได้เอาไปไหนก็กฝากให้รุ่นต่อๆมาตอนเด็กๆเหมือนกั น, <c oughs> น, นเวลาผมได้ดูโฆษณาเรื่องยาขมน้ำเต้าทองเราเห็นก็โฆษณาขายยาขมน้ำเต้าทอง แล้วก็หัวร้อนในใจว่าเออไอของขมข ม, มมันกจะทํามาขายใครใครจะไปซื้อกินก็มันขมข ม, มอ่ะเขาบอกแล้วจะขายยาเนี่ยมันโง่น่ะแทนที่มันจะโกหกเขาว่ามันยาหวานมันไม่โกหกมันไปบอกวเขาว่ายาขมใครจะไปซื้อกินวะ <c oughs> ตอนเด็กๆ เ, เราก็คิดงนี้พอเราโตขึ้นมาแหมมีช่วงหนึ่งมันไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นโลกร้อนมาอยู่เป็นปีๆ ต้องไปซื้อยาขมแล้วเตาทองมาต้มซื้อมาทีเป็นโหลๆต้มฉันทุกวันเลยตอนนั้นเป็นพ้าแล้วอ้อเราก็เพิ่งมารู้ว่าเขาทำมาขายเรานี่เองไอเรานี่เองที่ไปโง่ซื้อไอของขมขมนันเราก็ต้องโง่ซื้อมากิน <c oughs> ไอเรานี่เองที่โง่ที่โง่ก็คือว่าเรายังเกิดอยู่ยที่โง่ก็เกิดมาแล้วเนี่ย มระะดก ค, ความเจ็บไข้ความป่วยโรคร้อยแปดเก้าเนี่ยที่ <c oughs> รุ่นพ่อรุนปู่เขาผ่านไปแล้วเนี่ยเขาไมา่ได้เอาไปด้วยเลยเขามอกไว้ให้เราหมดอ่ะเราก็โง่มาเกิดโง่มาเกิดแล้วก็ยังยินดีในโลกนี้อีกยังเพิดเพลิงกับเหยื่อของโลกอีก เห็นอะไรสวยก็อยากอยู่ร้อยปีพันปีเพราะมันโง่อเราก็เห็นโทษแล้วเราก็ต้องรู้จักฉลาดขึ้นมาบ้างเมื่อเราเกิดความเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับขึ้นมาเราก็ต้องมีศรัทธามีความเพียรในการเจริญ ในการเจริญกรรมฐาน <c oughs> อ, าอารมณ์กรรมฐานพื้นฐานก็เขาคงสอนกันไว้แล้วนะนี่มันนานมาทีก็เลยปารบอะไรเรืเ่อยเปื่อยส่งเดชไป <c oughs> แต่ว่าผมก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แหละ ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์ของผ้ า, าจารย์ใหญ่ผมเข้ามาวัดสตยงามเนี่ก็เป็นหมาที่เดือนตัวหนึ่งไงเหมือนหมาที่เดือนตัวเลี้ยวสุดๆแล้วไปไหนไม่รอดแล้วแบบ โอ้หมาที่เลื่อนตัวนึงเนี่ยไม่มีขนเลย <c oughs> เข้ามาถึงกับออพระเดชพระคุณท่าน <c oughs> สอนเชา้าสอนเย็นเหมือนกับท่านจับหมาขี่เลื่อนไปขัดสีฉวีวันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยอยู่ที่นี่ห้าปีออกจากนี่ไปก็โอ้พอมีรูปลูกข้างตัวเนี่ยเอ๊พอมีขนขึ้นมาบ้าง ก็ไม่ไปไหนก็ไม่เคยลืมบุญคุณของพระอาจารย์ที่ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ค่อยมีโอกาสมาแนะนำเพราะอายุมากสังขารเสื่อม <c oughs> แต่เทพท่านก็พูดไว้มากพระอาจารย์เนี่ย <c oughs> ท่านจะไม่ค่อยบรรยายอะไรให้ฟังมากท่านจะเน้นให้เราสร้างเหตุ <c oughs> สร้างเหตุสร้างตัวในตัวในก็คือตัวสติเ <c oughs> มื่อบุคคลมีสติเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบเนี่ยจะเป็นปัญญาแก่ผู้นั้นทั้งหมดเป็นจริงๆ ขอให้มีสติถึงพร้อมเนี่ยความผิดพลาด ท, ทั้งปวงก็เกิดปัญญาความผิดพลาดก็เป็นครูไม่รู้สึ ก, กว่าความผิดพลาดเป็นตาบาักเจอความผิดพลาดก็รู้สึ ก, กหน้าที่ตาบานแจ่มใสไม่เครียดไม่เดือดร้อนสติตัวเดียวเนี่ยเป็นได้เป็นเป็นมันก็ท่อไอเสียรถยนตนะ์อะ เป็นที่ระบายความเดือดร้อนที่เรามาเผชิญอารมณ์ของโลกได้หมด <c oughs> ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่บุคคลผู้เกิดมาในโลกและความตายจะกายเข้ามาเวลาตายเนี่ยมีธรรมะเท่านั้น <c oughs> นี่ธรรมะสุดยอดก็ต้องกรรมฐาน กำหนดอย่างรู้สติพร้อมที่จะไปกาหนดอย่างรู้ทุกขเวทนาเวลาจะตายเนี่ยเราก็ไม่รู้เวลาจะตายมันจะทุกขแค่ไหน <c oughs> เราต้องเตรียมเอาไว้พระเดชพระคุณท่านจะเน้นเน้นเหตุสะมากคือ <c oughs> ต้องการให้ลูกศิษย์มีตัวไหน มีตัวไหนแล้วสามารถแก้อารมณ์ได้แก้อารมณ์ตัวเองเ <c oughs> <osion> มื่อเราฝึกสติใหม่ๆเนี่ยสติยังไม่ทันอารมณ์เวลาเจอปัญหาติดขัดอารมณ์เนี่ยมันก็จำเป็นมันกันต้องเที่ยวไปหาคนนู้นมาแก้อารมณ์ต้องหาคนนี้มาแก้อารมณ์ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นอะ ถ้าไม่มีใครมาแก้อารมณ์ก็รู้สึกว่าเดือดร้อนจะเมื่อเราปฏิบัติเก่าเข้าจำนานเข้าสติเรามั่นคงเข้าสติเราคมเนี่ยเราจะไม่ต้องหาใครมาแก้อารมณ์ให้เลยเพราะอารมณ์ทั้งกวงคือความเกิดดับอารมณ์ทั้งกวงเนี่ยมันเป็นแค่ขนาดจิตเดียว การยังรู้อารมณ์ก็ยังรู้ขนาดจิตเดียวการต่อสู้อารมณ์ก็ต่อสู้ขนาดจิตเดียวการได้ผลสู้สําเร็จก็ขนาดจิตเดียวอย่าไปแบกความสําเร็จเอาไว้ถ้าแบกความสําเร็จแล้วมันจะเกิดความมานะเยื่ยยิ่งถือดีไอ้ตัวมานะเยื่ยยิ่งถือดีเนี่ยเป็นเบรกห้ามล้อความเจริญของนักปฏิบัติธรรม บุคคลใดผู้มีความเย่อหยิ่งถือดีมากๆปฏิบัติได้ช้ามาก <c oughs> ปฏิบัติให้ได้ดีต้องอ่อนน้อมทำตัวให้มาก <c oughs> ปฏิบัติที่ผ้าขีริ้วจะได้ผลเร็วกว่าปฏิบัติ บ, ตบนหิ่งเวลาเราซักผ้าเนี่ย คนซักผ้าที่ฉลาดเนี่ยซ <c oughs> ักไปเนี่ยดูแต่ว่าตรงไหนสกรปรกแค่นั้นพอแล้ว <c oughs> ตรงไหนสะอาดแล้วไม่ต้องไปดูก็ได้อเราไปดูตรงนู้นสะอาดแล้วตรงนี้สะอาดแล้ ว, ดลวเดี๋ยวมันเลิกซักกันตรงสะอาดแล้วเราไม่ต้องไปดูหรอกเราดูว่าตรงไหนสกรปรกบ้าง ดูแล้วเราก็เราเห็นมันตรงไหนสกรปรกล้วก็ขยี้ตรงนั้นเนี่ยขยี้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตะอาดเอง <c oughs> ไม่ต้องไปแบกความสะอาดไม่ต้องไปแบกความว่าง <c oughs> อย่าเข้าไปในความว่างมันจะเป็นความไม่ว่างถ้าเราเข้าไปในความว่างก็คือการทําลายความว่าง ถ้าเอาเราตัวตนไปเสวยในความว่างก็คือเราไปทำลายความว่างมันก็ห้องห้องหนึ่งมันว่างเนี่ยเราเดินเข้าไปในห้องที่มันว่างเราก็มีชื่นชมยินดีว่าโอ้ห้องนี้มันว่างจริงๆอะไรอะไรก็ไม่มีโต๊ะก็ไม่มีเตียงก็ไม่ ม, ม, มีมันว่างจริงๆแต่เราลืมไปถนัดเลยว่าเราเข้าไปในห้องทาให้ห้องไม่ว่าง เราจะให้ห้องมันว่างก็คือว่าเราออกมาแล้วก็ใส่ใส่กุญแจปิดมันนะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปดูความว่างอย่าเข้าไปเห็นความว่างอย่าไปเข้าไปครอบครองความว่าง <c oughs> เมื่อเราวางอุกเบกขาได้อย่าไปยินดีว่าเราวางอุกเบกขาได้เพราะมันจะทําลายตัวอุเบกขา เมื่อเราวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้อย่าไปยึดถือความยินดีในว่าเราวางได้แล้วมันจะกลายเป็นตัวตนซ้อนกับอีกผู้ปฏิบัติถ้าฉลาดเนี่ยจะเจียมตัวเสมอเพราะมันเป็นเครื่องกันกันภาค การปฏิบัตินี่นต้องมีเสื่อนการพลาดเยอะๆอย่าถือว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วทุกปีที่ผ่านไปคือการเรียนรู้ความผิดพลาดทั้งกวงมาช่วยให้เราฉลาดขึ้นมารก็มาช่วยให้เราบารมีสูงขึ้นอุปสรรคก็ทำให้เราสอนให้เรากระโดดข้าม เรามีปัญญาและอะไรก็ดีหมดในในสายตาของเราจะ เ, เราต้องฝึกสติไปก่อน <c oughs> ปัญญาที่ขาดสติมันปุ้งมีสติแต่ขาดปัญญายังดี ก, กว่ามีปัญญาที่ขาดสติ <c oughs> เพราะมีสติเนี่ยมันจะฉลาดในตัวเองมีปัญญาที่ขาดสตินะมันไปรู้เรื่องคนอื่นซะมาก นีสติเนี่ยสติสัทฐาเนี่ยมันเป็นเรื่องในกายเราในใจเราหมดเลยบางที้วต่อให้เราโง่แสนโง่ขอให้เรามีสติก็พอแล้วเราโง่เรื่องข้างนอกแต่เราฉลาดในในภายในความฉลาดภายในนี่ไม่ต้องให้ใครมาตั้งดีกีไม่ต้องให้ใครมารให้ประกาศสมิยบัตนักทมตีโทรเองไม่ต้องมี เรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่จาเป็นต้องให้คนอื่นไม่ยอมรับและรับรู้ด้วยกับเราไอความบริสุทธิ์เนี่ยความหมดกิเลสของเราเนี่ย ความหมดกิเลสของเราเนี่ยหมดทุกข์ของเราเนี่ยก็ให้ความทุกข์มารับรองกา ร, รเผชิญทุกข์มารับรองว่าเออเราเจอทุกข์แต่เราวางได้เออตอเนี้อย่าไปให้คนอื่นมารับรองเห็นคนอื่นมาพินอกอพเทามากๆเราสาคัญว่าเราเป็นเทวดาแล้วก็ไม่ฉลาดสําหรับนักปฏิบัติ เวลามีลาบมียศมีสรรเสริญสุขแล้วยังบางทียังดูตัวเองไม่ออกห <c oughs> นาเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกนเนี่ยจึงจะรู้ว่าเราปล่อยวางได้จริงหรือ <c oughs> <c oughs> การบรรลุธรรมมันจะดูว่าบรรลุในม้งไม่ได้เรานั่งอยู่ในม้งคนเดียวเนี่ยจะเข้าใจว่าเราบรรลุขั้นนั้นขันนี้ยังไม่ได้ เราจะดูว่าเราบรรลุธรรมต้องขณะกระทบอารมณ์ขณะกระทบอารมณ์ตามอายตนะั้งหกเพราะนั้นนักปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้าัปจริงๆจะไม่หนีอารมณ์เพราะอายตนะเนี่ยเป็นวิปัสนาภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิปัสนาตากระทบรูปหูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบโภพภะใจกระทบธรรมอารมณ์การงานของผู้เจริญสติก็คือไปวางอุเบกขาได้ขณะกระทบอารมณ์อันนี้การวางได้มันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปงูเ <c oughs> มื่อวันก่อนพูดถึงพระสูตรที่ตอนท้ายสติปัฏฐานสูตรที่ท่าน ที่ท่านกล่าวว่าบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยหวังได้ว่าจะเป็นพานาคาเมเนี่ยดว่วนนั้นก็ไม่ได้พูดเรื่องโสดาสกินาคามีบางคนหลงใว้ว่าทําไมถึงข้ามไปเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าถึงข้ามไปผมคิดว่าเมื่อ บ, บุคคลมาเจริญสติปัฏฐานแล้ว มันเป็นของสูงเหมือนก็นเข้าโรงเรียนในร้อยคือเลยเลยไม่ได้มาลำดับยศพลตำพลทหารสิสิสิสิสิสโต <c oughs> แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้คุณค่าของสติปัฏฐานสูตรไว้มากบุคคลใดมาจเจริญสติปัฏฐานเนี่ย ท่านนำให้เป็นนักเรียนในร้อยเพื่อพอเข้ารับราช ก, การปุ๊บได้ร้อยตีเลยนี่ท่านท่านเลยไม่ได้กล่าวโสดาสิกิตาคาไว้ในตอนท้ายสูตร <c oughs> นั่นก็คือว่าท่านพระผ้ทาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นคุณค่าของสติปัฏฐานเนี่ยเห็นมากพ <c> ร <oughs> าบุคคล ที่จเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเข้าใกล้นิพพานจริงๆท่านจะสรรเสริญมากเมื่อเรารู้อนิสง์ของสติปัฏฐานแล้ว <c oughs> ฉะนั้นเราก็ควรจะมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นมั่นคงในสติปัฏฐานให้มากอย่าทอทุระเป็นวิปัสสนาเี่ยต้องเป็นวิปัสสนาไก่ชน คำนี้ติดหัวผมไปตลอดเลยไม่ว่าผมไปไหนไปไหนเดินทาออกอย่างวานทำงานผมไปไหนคำนี้ที่พระเดชพระคุณพูดไว้เนี่ยติดอยู่ในหัวผมตลอดเลยคอยเตือนใจว่าเออเป็นวิปัสสนาเี่ยอย่าเป็นวิปัสสนาไก่แจ้นะต้องเป็นวิปัสสนาไก่ชน คืออย่าเป็นพวกท่าสวยแต่ไม่เอาทา น, นี่อันนี้เป็นจะติดหัวผมไปมากไปไหนคำนี้ก็คอยมาเตือนสติว่าเออเราต้องเอาให้จริงเนาะเหมือนกับครูบาอาจารย์ตามเราไปด้วยคำสั่งสอนหรือคำด่าของครูบาอาจารย์นยี่ไพเราะมาก ในสำหรับสาหรับลูกศิษย์แล้วเนี่ยคําด่าของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะด่าแรงแค่ไหนใช้คําแรงแค่ไหนเราต้องถือว่าเพาะมากไพเราะมา ก, พามากเพราะเราฟังแล้วเราได้ดีเ <c oughs> มื่อตอนที่ผมจะไปกราบ ลาหลวงพ่อออกจากวัดมาปีสามสี่ผมคิดว่าผมจะไปแถวสกลนกครอุดรดธานีก็ไม่ได้บอกท่านอนะ่ะปกติผมก็ไม่ค่อยได้เข้าใกล้ท่านนะวันนั้นก็ไปกราบลาไปกราบลาว่ะหลวงพ่อครับผมลาจะออกจากวัดไปครับ หลวงพ่อท่านเงยหน้ามาแล้วท่านก็ถามว่าจะไปอีสานเหนือหรืออ่ะเรายังไม่ได้บอกท่านเลยท่านรู้มาได้เราก็ตกใจอ่ะเอ๊ะเรายังไม่ได้บอกจะไปไหนกันรู้ว่าเราจะไปอีสานเหนือเราก็รับว่าครับพอรับว่าครับเสร็จหลวงพ่อท่านแทนที่จะให้พรโอ้ท่านดา่าเราเป็นชุดเลย เราเลวเรื่องไหนในท่านรู้ไปทุกอย่างเลยแล้วท่านก็ดา่าด่าตั้งนานนะตอนนั้นเราก็เราก็ไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมเราจะไปหลวงพ่อถึงดา่าแทนที่จะให้พรแม่เมื่อเราออกจากวัดไปแล้วเนี่ยคำด่าของท่านมาคอยเตือนสติเราตลอดลมันรู้สึกว่าคำด่าของครูบาอาจารย์เนี่ยไพเลาะที่สุด เป็นคำที่ไพเราะมากไพเราะไพเราะยิ่งกว่าพรใดๆคำด่าของครูบาอาจารย์เพราะว่าเป็นคำที่กระหนาบเราให้เราได้ดีเป็นคำที่ไพเราะเพราะพิ้งมากเราพ้นนรกมาได้ก็เพราะคำด่าของท่านนี้เองเพราะฉะนั้น สิทธิ์ที่ดีนี่เราต้องเอาคำด่าของครูบาอาจารย์ไว้บนหัวสิว่าได้ผลมากเพราะพระเจ้าคุณนี่ผมรู้สึกว่าท่านมีญาณพิเศษอะไรมากแต่ว่าไม่ค่อยแสดงท่านจะรู้อธัธยาศัยของคน ท่านด่าผมไว้เนี่ยโอ้ยรู้รู้หมดว่าเราเลวเรื่องอะไรในท่านรู้หมดเลยท่านด่าเป็นชุดเลยโอ้เราก็ได้รับคำด่าจากท่านไปหัดเกาตัวเองไปปรับปรุงตัวเองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มาเป็นศิษย์วัดไสเงาแต่ว่าตอนนี้ผู้พูดก็ ผมนี่ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่กำลังกาลังศึกษาเวลาแต่ละปีที่ผ่านไปคือการเรียนรู้อุปสรรคที่เข้ามาคือสิ่งที่จะสอนให้ฉลาดขึ้นความผิดพลาดจะเป็นครูตอนนี้ก็ยังไม่เก่งแต่มีศรัทธาที่จะเรียนรู้ เรียนรู้ในสายกรรมฐานสายปฏิบัติในพมจรรันนี้ไปนะ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาก็สมควรนะก็รู้สึกว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ปูกปรับอะไรมาพูดไม่ได้ตั้งใจไว้เลยพูดอะไรก็ส่งเดชไปงั้นเอง ก็ท้ายที่สุดแห่งการบรรยายก็ขอรัธนาคุณพระสีรัตนาใจจงคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมได้บรรลุธรรมเข้าถึงมัคนสีผลสีนิพพานหนึ่งอันจะถึงอันจะถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิด